วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันทำความเพียรกันอีกครั้งหนึ่งความเพียรก็คือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันเพียรฟังเทศฟังธรรมเพียรปฏิบัติธรรม เพราะเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องหลุดพ้นด้วยการกระทำความเพียรคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปจนหลุดพ้นได้อย่างถาวรได้อย่างราบคาบ นี่คือเรื่องของการทำความเพียรถ้าไม่มีการกระทำความเพียรผลจะไม่มีเกิดขึ้นมาต้องมีการกระทำความเพียรปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมจะยังผลให้เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องอย่างดีอย่างชอบ ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จำเป็นจะต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนเมื่อถ้าไม่เข้าใจนำเอาไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติแบบผิดผิถูกถูถึงแม้จะมีความเพียรปฏิบัติแต่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ก็จะไม่ได้อย่างครบถ้วนได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าปฏิบัติถูกก็ได้ปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้รู้อย่าง่องแท้ วิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอน ก็นี่เป็นหลักของเหตุของผลนั่นเองถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเหตุเป็นอย่างนั้นผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าเราปลูกข้าวผลก็ต้องเป็นเมล็ดข้าวเป็นโรงข้าวถ้าเราปลูกส้มผลก็ต้องเป็นผลส้มจะเป็นผลทุเรียนเป็นผลสับปะรดไม่ได้ ฉันใดถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ยังจะติดอยู่กับความทุกข์ต่อไป นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทําความเข้าใจกันให้ถูกต้องให้มีสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากการทําความเพียรของเราอยู่ที่การปฏิบัติธรรมของเราผู้อื่นทําความเพียรให้เราไม่ได้ผู้อื่นปฏิบัติธรรมแทนเราไม่ได้ ผู้อื่นฟังเทศฟังธรรมแทนเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองตามกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธธรรมพระรสงฆ์นี้ท่านไม่สามารถที่จะทําความเพียรแทนเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธธรรมพระรสงฆ์นี้มีแต่ ทำหน้าที่สั่งสอนบอกทางให้เรารู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกที่ดีได้ถ้าเราจะหวังพึ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ด้วยการขอจากท่านเราก็จะผิดหวังเช่นบางท่านอาจจะคิดว่าอธิษฐานจิต ขอพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้อันนี้ขอไปก็จะไม่มีวันได้เพราะการขอไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการการที่จะทําให้เกิดผลจากเกิดผลที่เราต้องการนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราเกิดจากการกระทําของเรา เราอยากดีเราก็ต้องกระทาดีถ้าเรากระทำชั่วเราก็จะชั่วเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุพพทธพธรรมพระสงค์ไม่มีหน้าที่ที่จะให้พรให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการ ท่านมีหน้าที่สอนเราบอกเราวิธีการกระทาวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการกันสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการกันก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การพบแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นไปได้แต่จะต้องเป็นไปด้วยการปฏิบัติของเรา ไม่ได้เป็นไปด้วยการให้พรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทงความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางกันไม่หลงไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เช่นมีคนถามเรื่องบูชาพระลาหู บูชาเราจะได้อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ถ้าบูชาได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องทำอะไรกันไม่ต้องทำความเพียนกันเพียงแต่จุดทูกเทียนแล้วก็บูชาแล้วก็ขอพรขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าได้ก็จะได้สบายกันไปทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้น พวกเราทุกคนก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กันไปนานแล้วการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็นั่งดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอาหารหันตาสาพวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านหลุดพ้นด้วยการบูชาพระราหูหรือเปล่าหรือท่านหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเหตุที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเช่นปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีถ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ท่านก็เอาศีลสมาธิปัญญานี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในพระธรรมคําสอนแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ช้าก็ได้บรรลุได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์กันกลายเป็นพระอาหลานตสาวขึ้นมานี่คือแบบฉบับของผู้กระทำความเพียรของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราควรที่จะเอามาเป็นคติเตือนใจสอนใจอย่าให้เราไปหลงกับการอธิษฐานขอสิ่งต่างๆจากสิ่งสั จากสิ่งศ <st> ักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลยเพราะถ้าขอได้พระพุทธเจ้าก็ต้องมาสั่งสอนพวกเราแล้วสั่งสอนให้พวกเราจุดธุเทียนแล้วก็กราบแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ร่าขอให้รวยขอให้พบกับความสำเร็จในชีวิตเช่นได้ตำแหน่งใน้งานการที่ดี ได้เงินเดือนที่ดีถ้าทุกถ้าเป็ถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนก็จะต้องดีกันไปหมดโลกนี้จะไม่มีคนจนจะไม่มีคนทุกข์กันเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำกันได้อย่างง่ายดายเพียงแต่จุดทูกเทียนแล้วก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ทุกคนในโลกนี้ก็จะไม่มีใครทุกข์ยากลำบากกันทุกคนจะมีแต่ความสุขกันแต่ความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่คนคนที่หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากคนที่มีแต่ความสุขนั่นก็มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบุกเท่านั้นแต่พวกที่ นอกนั้นแล้วก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันไม่ได้มีแต่ความสุ ข, ขกันต่อให้ขออธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังต้องติดอยู่กับความทุกข์ต่างต่างติดอยู่กับความทุกข์ยากลำบากหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรยังไม่ได้ เพราะเหตุที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนั้นอยู่ที่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเร า, เารักษาศีลให้พวกเรานั่งสมาธิให้พวกเราเจริญปัญญากัน อ, อันนี้แหละที่จะทำให้เรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างแน่นอนและได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพบมาแล้วและพระอาหลานตสาวกที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวร อันนี้แหละเป็นความจริงที่พวกเราควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันอย่าไปหลงไหลกับคำสอนที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยให้เราเอาคำสอนที่พิสูจน์ได้ไป พิสูจนกันจะดีกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารักษาศีลนื่งสมาธิเจริญปัญญาได้เต็มร้อยรับรองได้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เต็มร้อยอันนี้พิสูจน์ได้เพราะมีพี่มีผู้ที่นำเอาไปพิสูจนแล้ว ผู้ที่นำเอาไปพิสูจน์ก็คือพระอาหารหันตสาวกนี่อนตอนต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นพวกผู้มียังมีความทุกข์อยู่มีความปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็ได้ผลจากการปฏิบัติ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ต่างๆที่มีเคยที่เคยมีอยู่ในใจนี้หายไปหมดเลยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปมีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าบรมสุขนิปานังปรมังสุขขังนิพานคือจิตที่ได้รับการชาระ ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่ได้รับบรมลมะสุขคือปรมังสุขขังวิพานแปลว่าจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องเกิดจากการทำความเพีย ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองอนี่คือหลักทาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดที่ผู้ที่ศึกษาสามารถน้อมเอาไปพิสูจน์ได้ไม่จะไม่สงสัยว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่ถ้าเป็นคำสอนอย่างอื่นที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็อย่าไป เสียเวลาจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเอาสิ่งที่เราพิสูจน์กันได้ดีกว่าเอาแบบตัวอย่างของพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายท่านเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆแต่พอท่านได้ยินได้ฟังทำแล้นะ ได้รับความรู้ว่าสามารถนำเอาไปพิสูจน์ได้เหมือนกับยารักษาโรคที่เราสามารถเอาไปพิสูจน์ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอก็ให้ยาเรามารับประทานถ้าเราเอายามารับประทานเราก็จะรู้ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโรคไข้ไข้เจ็บให้หายได้หรือไม่ พอเรารับประทานยาเข้าไปเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บก็หายไปเราก็รู้ได้อย่างแน่นอนว่ายานี้เป็นยาที่ใช้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าเรารับยามาแล้วเรารับประทานไปแล้วโครคภัยไข้เจ็บไม่หายเรายังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่ายาที่เขาให้มานี้ ไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้อันนี้เราต้องรู้แบบนี้เราถึงจะได้ไม่หลงไหลไม่เดินทางผิดกันเช่นเขาบอกให้บูชาพระลาหูแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์เราจ ะ, จะเจริญกันก็ลองทำดูทำดูแล้วดูซิว่าได้หรือไม่ได้ อันนี้เราต้องไปพิสูจน์กันไหนก็ไม่มีใครมายืนยันว่าการบูชาพระลาหูแล้วจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์กันจะทำให้ได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันอันนี้ก็เป็นการเชื่อแบบงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นความเชื่อแบบงมงาย เป็นความเชื่อแบบมีเหตุมีผลเพราะสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่หลุดพ้นจากความเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความเพียรได้จริงหรือไม่อันนี้มีผู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้วได้รับรองได้รับประกันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องทุกประการ ที่เราเรียกว่าสว่กขาโตพระกวตาธรรมโอรทมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนมีผู้ที่พิสูจน์แล้วยืนยันแล้วคือพระอริยสงสารุกทั้งหลายท่านเหล่านี้ได้ นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันแล้วปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันแล้วแล้วก็ได้ผลกันเป็นขั้นเป็นลำดับไปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์นี่คือพระอริยบุคคลสี่ประเภทผู้ที่ได้พิสูจน์ คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นสว่าขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นคําสอนที่ถูกต้องทุกประการปฏิบัติแล้วจะได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็คือพระสกิฎาคามีขั้นที่สามก็คือพระอนาคารามีขั้นที่สี่ก็คือพระอาหารหันต์อันนี้ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จึงทําให้พระพุทธศ า, ส, าสนานี้มีอายุยืนยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วมีผู้ที่ได้ศึกษาได้นำเอาไปพิสูจน์แล้วแล้วก็ได้รับผลแล้วแล้วก็มายืนยันรับรองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ ได้ผลจริงๆปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลจริงๆจึงทำให้ศาสนาพุทธนี้มีอายุยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราจรึงไม่ควรที่จะลังเลสงสัยควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนาเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ จะดีกว่าการกระทำอะไรต่างๆที่เรากระทำกันอยู่ทุกวันนี้การกระทำต่างๆที่เรากระทำกันนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้กับจิตใจของพวกเรามีแต่จะสร้างความทุกข์ ให้ปีเพิ่มมากขึ้นส่วนความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเยวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บแล้วมันก็หายไปต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนี่คือความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาตหูจมูกลิ้นกายที่พวกเราแสวงหากันอยู่ โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นการหาความทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขชั่วคราวที่ได้มาหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนแ ท, นที่ทันทีเราจึงต้องดับทุกข์เหล่านี้ด้วยการหาความสุขแบบชั่วคราวกันแทนที่หาได้มาเท่าไหร่ความทุกข์ก็ไม่มีวันหมดไป เพราะความสุขที่หามาได้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ถาวรที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์ตามมานี้เราไม่หากันเพราะเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าวิธีการหาความสุขที่แท้จริง วิธีที่ดับความทุกข์ที่แท้จริงนั้นทำอย่างไรแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขที่ถาวรวิธีที่ดับความทุกข์อย่างถาวรก็วิธีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เอง ตอนนี้พวกเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันมากน้อยเพียงไรพวกเราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมากน้อยเพียงไรผลมันก็จะฟ้องอยู่ในตัวถ้าเราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมากความทุกข์ก็ยังจะมีมากอยู่ในใจของพวกเราถ้าเราหา ความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาความสุขของเราก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ภายในใจก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับแล้วจะหมดไปได้ในในที่สุดอันนี้คือวิธีการหาความสุขสองรูปแบบความสุขที่เป็นความสุขปลอมกับความสุขที่เป็นความสุขจริงพวกเรานี่ ส่วนใหญ่จะหาความสุขปลอมกันเพราะเป็นวิธีที่พวกเรารู้จักหากันรู้จักหาลาบยศสรรเสริญกันรู้จักหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลเถาะกันแต่ไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเราจึงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลเถาะกัน แล้วเราก็ต้องมาเจอความทุกข์เวลาที่เราสูญเสียความสุขของลาบยศสารเสริญของรูปสิยงกลิ่นรสผลเถรภะไปแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมาหาความสุขแบบสินสมาธิปัญญาได้เพราะเราติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพัสนั่นเองเพราะการที่เราจะมาหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องยุติหรือพักการหาความสุขทางลาบยศจสรสเหรญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพัสนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกทรมานใจกันเวลาที่เราไม่มีลาบยศจรสเสรญเวลาที่เราไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดผทพั มาให้ความสุขกับเราถึง แ, แม้ว่ามันจะเป็นความสุขชั่วคราวมันก็ยังเป็นความสุขที่พวกเรายัางพอจะหากันได้อยู่เรื่อยๆแต่พอเราต้องหยุดหาความสุขแบบนี้แล้วมาหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญามันจึงทำให้เรายากไม่อยากจะทำกันผู้ที่อยากจะหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญานี้ต้องมองระยะยาว อย่ามองระยะสั้นระยะสั้นคือระยะแรกๆนี้จะมีความทุกข์มากการที่จะมารักษาสิงมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญานี้ไม่ใช่เป็นการกระทำที่สุขที่สบายแต่เป็นความทุกข์ยากลาบากแล้วก็เป็นความทรมานใจเพราะว่าเราต้องหยุดการหาความสุข ทางตาหูจะบบกเล่นกายไปชั่วข้าวนั่นเองเช่นลองมาถือศีลแปดดูกันนะลองถือในวันพระนี่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธศาสนิกชนยุดหาความสุขจากาดดลาบยศสรรเสริญยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะแล้วให้มาหาความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันศีลกายถือศีลแปด ข้อศีลแปดนี้จะได้ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นศีลข้อสามก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนศีลข้อหกก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ศีลข้อเจ็ดก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากบันเทิงและมหรสลพต่างๆ ไม่ให้ไปตามสถานบันเทิงไม่ให้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆด้วยเสื้อผ้าภรอนที่สวยงามวิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้าหอมอะไราต่างๆนี่ต้องยุติ การหาความสุขเหล่านี้แม้กระทั่งการหลับนอนก็ไม่ให้นอนมากเกินไปให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายการที่จะหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายและไม่นอนมากเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆ น, นิ่มๆนุ่มๆเพราะว่านอนถ้ามันนิ่มมันนุ่มแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้ว มันยังสบายก็จะไม่อยากลุกยกก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนไม่สบายก็จะได้มีเวลาขึ้นมาปฏิบัติธรรมนั่นเองเนี่ยการถือศีลนี้เป็นการ ดึงเอาเวลาที่พวกเราจะเอาไปใช้กับกิจกรรมหาความสุขแบบชั่วคราวกันให้เอาเวลามาหาความสุขแบบทาวรกันคือความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญากันเราจึงต้องถือศีลแปดกันอย่างน้อยต้องถือศีล8ดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองร้อยก็ได้ สีสินสามร้อยกว่าก็ได้สีนเหล่านี้จะคอยป้องกันไม่ให้เราไปทำกิจกรรมที่เป็นความสุขชั่วคราวกันเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำกิจกรรมที่เป็นความสุขที่ถาวรก็คือการนั่งสมาธิการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาทําทั้งสามนี้แหละ ที่จะทำให้เกิดความสุขที่ถาวรขึ้นมาที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้เนี่ยั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ถาวรความหลุดความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรนี้จาเป็นต้องมองระยะยาวเหมือนกับการลงทุนการลงทุนนี่บางทีเราต้องมองระยะยาวซื้อหุ้นนี้เราซื้อแล้วเราก็ ไม่ขายเก็บไว้เพราะรู้ว่าทุกๆปีหุ้นนี้ก็จะเพิ่มคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆอย่าซื้อหุ้นแบบเก่งกำไรอันนี้เลือกเอาเสี่ยงเอาเห็นตัวนี้กำลังขึ้นก็ซื้อเดี๋ยวซื้อปั๊บเดี๋ยวมันตกก็จะขาดทุนได้มีเป็นพวกแบบที่จะเอาระยะสั้นกันเอากำไรระยะสั้นกันแล้วก็อาจจะ ผิดหวังเพราะหุ้นนั้นก็อาจจะหมดราคาหมดคุณค่าไปได้เพราะไม่ได้รับการพิสูจน์มาไว้ล่วงหน้าว่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่จะมีความมั่นคงอันนี้ก็เหมือนกันการหาความสุขแบบชั่วคราวคือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสนี้เป็นเหมือนกับการเก็งกาไรกันะ หาความสุขในปัจจุบันทำปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยไปเที่ยวก็ได้รับความสุขเลยไปกินไปดื่มก็ได้รับความสุขเลยแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวพอเที่ยวเสร็จดื่มเสร็จกินเสร็จกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปกินใหม่ไปเที่ยวใหม่แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวได้ เช่นไม่สบายหรือว่าเงินทองไม่พอใช้ทีนี้ความสุขที่เคยหาได้ก็จะไม่สามารถหาได้พอไม่สามารถหาความสุขได้ความทุกข์ก็จะเข้ามา ท, ทันทีนี่เกิดความสุขที่พวกเรากำลังหากันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องมีวันที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง พราะว่าร่างกายที่เราใช้ในการหาความสุขเหล่านี้มันจะค่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปพอเราเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิรร่นรสผลถั่วได้ต่อไปเราก็จะมีแต่ซึมเศร้า มีแต่จะว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาอันนี้เราต้องมองระยะไกลทั้งสองรูปแบบแล้วจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขความสุขที่เรากําลังหาในปัจจุบันนี้ถ้าเรามองระยะยาวมันจะมันจะค่อยๆหมดไปจะค่อยๆหายไป พราเมื่อร่างกายเราเข้าสู่ความจลาเข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายความสุขเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถหาได้แต่ถ้าเรามองความสุขทางศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าในระยะยาวนี้ความสุขนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นจะไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดและจะอยู่ต่อไป โดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายร่างกายจะแกร่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายความสุขที่เราได้จากการรักษาศิ่จากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญานี้ก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปถึงแม้ไม่มีร่างกายเราก็ยังมีความสุขได้นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่อ้างอิงร่างกายความสุขที่ไม่ต้องพึ่ง รูปเสียงกลิ่นลดพดทธธ่าความสุขที่ไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่พึ่งกับสิ่งที่มีอยู่ในใจเราก็คือสติปัญญานี้เองดังนั้นเราจึงต้องมาเพียรสร้างสติสร้างปัญญากันด้วยการรักษาศีลของนักบวชกันคือศีลแปดขึ้นไปเพื่อเราจะได้มีเวลา มาเจริญสติกันมานั่งสมาธิกันแล้วก็มาเจริญปัญญากันนะัถ้าเราไม่ถือศีลของนักบวชเช่นถ้าเราเพียงแต่ถือศีลห้าเรายังสามารถที่จะไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นะศีลข้อสามก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเพียงแต่ห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่คร อ, องของเราเท่านั้นเอง เราก็ไม่ได้ห้ามให้เรารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราสามารถหาความสุขจากการรับประทานอาหารได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอยากจะรับประทานเมื่อไรอยากจะดื่มเมื่อไรก็ดื่มได้รับประทานได้ตลอดเวลาอยากจะไปเที่ยวไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปตามสถานมหัศลศพต่างๆ ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถไปได้ตลอดเวลาจะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอาพรด้วยเครื่องสำอางต่างๆก็สามารถทำได้จะนอนบนผูกหนาๆเตียงใหญ่ ๆ, ๆจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้แต่เราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะมาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญากัน เราก็จะไม่ได้ความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรเราจะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเราก็จะได้แต่ความสุขชั่วคราวหลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วคราวแล้วก็ต้องมาคอยเติมความสุขใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่สามารถเติมความสุขเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นก็จะต้องเจอความทุกข์ทันทีเนี่ยเราต้องมองระยะยาวกันแล้วมันจึงจะทาให้เรา มีความกล้าหาญที่จะมุ่งไปสู่ความสุขที่ถาวรเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ก็ทรงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสผลพทพะมาก่อนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริสัทบริวารค้อมล้อมคอยรับใช้เพื่อตอบสนองความสุขในทุกรูปแบบ แต่วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงสเสด็จออกไปนอกพระราชวังแล้วก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์นั้นเห็นความจริงของความสุขที่พระองค์กำลังแสวงหาอยู่ว่ามันเป็นความสุขเบื้องต้นแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเมื่อชีวิตเข้าสู่บ้านปลายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตาย ความสุขที่พระ อ, องค์กำลังหาอยู่ในปัจจุบันก็จะหมดไปจะไม่สามารถหาความสุขแบบที่พระ อ, องค์ทรงหาได้อยู่แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นนักบวชก็ได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่หาความสุขระยะยาวหาความสุขในบ้านปลายหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆในบ้านปลายของชีวิตคือเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย จะไม่ทุกข์จะมีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อพระองค์ทรงเห็นทางเลือกใหม่และทรงเห็นทางเก่าที่พระองค์ทรงดําเนินอยู่ว่าเป็นการเดินไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายส่วนทางเลือกใหม่นี้เป็นการเดินไปสู่ความสุขในบ้านปลายแต่ในเบื้องต้นนี้จะต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากเพราะจะต้องสละ ความสุขในที่ในขณะในปัจจุบันที่มีอยู่ไปคือสละความสุขทางลาบยศเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่แบบนักบวชอยู่แบบขอทานอยู่แบบทุกข์ยากลำบากแต่มีเวลาที่จะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ แหลังจากที่ได้ทรงบาเพญ็ญหกปีพระองค์ก็ทรงสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ได้ถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกังวลกับเรื่องของร่างกายว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็จะไม่มีปัญหากับใจของพระองค์เพราะใจของพระองค์นี้มีสติปัญญาเป็นที่พึ่ง มีธรรมังสารังกะฉามิเป็นที่พึ่งเมื่อมีที่พึ่งที่ไม่วันที่จะหมดไม่มีวันที่จะจากพระองค์ไปพระองค์ก็เลยไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายเพราะที่พึ่งใหม่นี้เป็นที่พึ่งที่มีอยู่ในใจเกิดขึ้นในใจอยู่กับใจไปตลอดคือศีลสมาธิปัญญานี่เอง นี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์กันที่จะให้ความสุขกับพวกเราอย่างแท้จริงอย่างถาวรอย่างไม่มีวันสิ้นสุด<อ>เราจึงต้องเราควรที่จะดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสาวกเป็นตัวอย่างท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็ติดอยู่กับการหาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญแต่หลังจากที่ได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็เลยทำให้เกิดหูตาสว่างขึ้นมาทำให้เห็นว่าวิธีหาความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดดงความสุขที่ไดมาจะต้องหมดไป แล้วก็จะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่ในเวลาที่แก่เวลาที่เจ็บและเวลาที่ตายไปแต่ความสุขของนักบวชความสุขที่ได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เป็นความสุขที่จะให้ตลอดเวลาแต่เป็นความสุขที่จะต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากก่อน พาะจะต้องสละความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายไปแล้วก็ไปอยู่บาเพ็ญในที่อัตคัดขัดสนไปอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นสถานที่เอื้อต่อการเจริญสติและปัญญานั่นเองถ้าอยู่ในที่มีคนมากๆ ม, มีความสุขสบายทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกดิ้นกาย ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาผู้ที่ต้องการความสงบทางจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องไปเปลีกวิเวกไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้ก็จะอดไม่ได้อดที่จะไปหาราบยศสรรเสริญ กฎที่จะไปหาความสุขทางตาหูจะบกึ้งกายไม่ได้จึงจำเป็นต้องหนีไปอยู่ไกลๆหนีอยู่ไปอยู่ที่ไม่มีลาบยศสาะเสรอให้หากันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผุดถะให้หากันเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้หา ก, ก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญากันต้องบังคับตัวเองให้ไปอยู่ในที่แบบนั้น ถึงจะสามารถมีเวลาที่จะปฏิบัติได้ถ้าอยู่ใกล้กับราบยศสรรเสริญอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะถูกราบยศสรรเสริญถูกรูปเสียงกลิ่นรสนี้ดูดเข้าไปให้เข้าไปหาแล้วก็เลยจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจริญศีนสมาธิปัญญากันนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง ความเพียรคือต้องบังคับตัวเองให้ละการหาลาบยศสรรเสริญละการหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการทําความเพียรคือการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลได้แล้วไปปีกวิเวกได้แล้วไปอยู่ที่ห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้แล้ว ทัานต่อไปก็ต้องบังคับให้เจริญสติต้องควบคุมใจไม่ให้คิดเพราะถ้าคิดแล้วใจจะไม่สงบเมื่อไม่สงบจิตก็จะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขก็จะทุกข์เมื่อทุกข์มากๆก็จะทนไม่ไหวก็จะกลับไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอีกดังนั้นหลังจากที่ถือศีลแปดแล้วไปปีกวิเวกอยู่ตามลําพังแล้ว ก็จาเป็นที่จะต้องบังคับควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็จะคิดกลับไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลถภาสนั่นเองผู้ที่บาเพ็ญจึงจาเป็นที่จะต้องคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดไปถึงลาบยศสรรเสริญไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะชนิดต่างๆการเจริญสติก็คือการบริกรรมพุทโธนี้เอง ให้เราหมั่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยเตั้งแต่เราลื่มตาขึ้นมาเลยลื่มตาขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราสามารถบังคับใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปได้อย่างต่อเนื่องเวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบใจเราก็จะรวมเป็นหน่งสักตวันเป็นอุเบกขา แล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะดึงให้เรากลับไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจบุกลินกายเพราะความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะนั่นเอง <Yeah. S 1> พอเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็จะเลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกพึ่งร่างกายได้ mm. เมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย mm. ก็ไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปเพราะเรายังมีความสุขได้เหมือน เหมือนเดิมคือไม่มีร่างกายเราก็มีความสุขมีความสุขจากสมาธิคือความสงบนี้เองเพราะเหตุที่ทาให้จิตสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจเหตุก็คือสติเหตุก็คือปัญญาถ้ามีสติคอยควบคุมใจให้สงบมีปัญญาคอยสอนใจไม่ให้กลับไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะปัญญาจะสอนว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ เป็นการไปหาการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นการไปหาความแก่ความเจ็บความตายปัญญาจะสอนพอเกิดความอยากที่จะกลับไปหาราบยศสะรเสริญก็จะไม่กลับไปเพราะมีความสุขทางจิตใจดังนั้นพูดปฏิบัติในเบื้องต้นจึงต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาเพื่อควบคุมความคิดให้ได้เพื่อหยุดความคิดให้ได้ พอเมื่อหยุดความคิดได้ใจก็จะรวมเป็นหนึ่งใจจะสงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วจะมีความสุขมากจนทำให้ไม่อยากจะได้อะไรอีกต่อไปถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถฝืนได้อยากจะไปหาลาบยศรเสริญอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็ฝืนได้เลิกได้เมื่อเลิกแล้วความอยากต่างๆมันก็จะหมดกาลังไปในที่สุด แล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาคอยฉุดลากใจให้กลับไปหาราบยศสารเสริญอีกต่อไปไม่ให้ไม่ดึงให้ใจกลับไปหาความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปนั่นเองใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะไม่จาเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป ไม่ต้องห า, าะลาภยศสรรเสริญไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างถาวร น, นี้อยู่ในใจไปตลอดนี่คือความสงบที่ถาวร น, นี้เรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุขขังความสงบที่ถาวร น, นี้เป็นบรมบสุขเป็นความสุขแยมยิ่งเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นผลที่เกิดจากการบาเพ็ญความเพียร บำเพ็ญความเพียรก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่หมดที่มีอยู่ในใจให้หมดไปจนให้มีเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ของการมาบำเพ็ญความเพียรกันขอให้เรามองเห็นความเพียรเป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูเราต้องพยายามดึงความเพียรมาเป็นมิตรให้ได้อย่าให้เป็นศัตรูทุกครั้งอยากจะทำความเพียรก็เกิดความกลัวขึ้นมา อันนี้แสดงว่าเห็นความเพียรเป็นศัตรูไม่อยากจะทำํำต้องเห็นว่าความเพียรเป็นเพื่อนเป็นมิตรถ้ามีความเพียรแล้วความเพียรจะส่งให้เราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจะให้เราได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันก็คือบรมมาสุขดังนั้นขาให้พวกเราพยายามทําความเพียรกันให้มากๆ ในขณะที่เรายังมีโอกาสมีชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่รีบทำกันพอเราไม่มีโอกาสหรือไม่มีชีวิตแล้วมันก็จะทำให้เราหมดโอกาสตอนนี้เราทำได้รีบทำอย่าพัดวันประกันพรุ่งเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นคนเราจะตายเมื่อไหรน่นี่ไม่มีใครรู้คนเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหรไม่มีใครรู้ จะเป็นอามาพิกอาม า, าปานพิกลพิการขึ้นมาเมื่อไรไม่มีใครรู้ดังนั้นขอให้เราคิดว่าพวกนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้วันเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็ได้หรือวันที่เราจะเป็นคนพิกลพิการขึ้นมาก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้เร่งทำความเพียรในขณะที่เรายังทำกันได้อยู่ในขณะนี้ถ้าเราเร่งทาความเพียรแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับประกันไว้เยว่า ถ้าไม่สำเร็จภายในเจ็ดวันก็เจดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีเป็นอย่างมากจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนยิ่งขอฝากเรื่องของการมาทำความเพียรในวันนี้ให้ท่านได้นำเอาใบพินิษฐ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและการพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดง ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมหัวอิตโตทินางเปตานางอุป ก, กบปฏิ <c oughs> อิชิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวัวสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกะปา ฌานโทปนะหระโสยะธามณิโชติหระโสยะธาสัพพิติโยมิวาฌานโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวาภิวาตนาสีฤทธานิจยังวุทฒาปจายโน จตารโอธมมมวัทานติอายุวโนสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากนั้นเราห้ามถามเพราะว่า หมดเวลาใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามก็ได้แล้วส่งข้อความขึ้นมาก็ได้ทางทางบ้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟ c e b o o สามร้อยสี่สิบยูแปดสิบสี่ครับอาจารย์เสาร์อาทิตย์น้อยจะน้อยกว่าวันปกติ ถ, ถ้าไม่มีคำถามแถวนี้ก็เอ า, าทางทางบ้านก่อนก็ได้ คำถามจากทาง facebook นะครับจากคุณสุพัฒนาครับทําอย่างไรถึงจะเห็นใจได้ชัดๆคะก็สตินี่แหละฝึกสติสติจะดึงใจให้กลับเข้าหาใจแทนที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสตอนนี้เราไม่เห็นใจเพราะเราไม่มองใจกันเราไปมองรูปเสียงกลิ่นรสไปมองลาบยศจัดะละเสริญเราก็เลยเห็นแต่ รูปเสียงกลิ่นรสเห็นแต่ลาบยศสรรเสริญไม่เห็นใจแต่ถ้าเราใช้พุทโธดึงใจให้ออกออกจากลาบยศสรรเสริญออกจากรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะกลับเข้ามาเห็นใจเองเวลาใจสงบก็จะเห็นใจอย่างเต็มที่เพราะเป็นเวลาที่ใจพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหันหลังให้กับลาบยศสรรเสริญหันหลังให้กับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็หันหน้าให้กับใจ ใจก็จะเห็นใจอย่างเต็มที่คำถามจากคุณทิติรัตน์นะครับหากเวลาเจริญสติหากจิตเผลออกุศลจะแทรกเข้ามาควรจะพุโทโธต่อหรือควรจะสอนจิตไม่ให้คิดเพราะเป็นบาปเจ้าคะก็ได้ทั้งสองอย่างวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เราหยุดคิดคำถามจากผู้ฝากถามบนเขานะครับข้อที่หนึ่ง การค้าขายบุหรี่เป็นบาปไหม อ, อ๋อไม่บาปหรอก เ, ออเพราะว่าบุหรีนี่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามออพระก็สูบบุหรีได้เพียงแต่ว่าควรจะรู้จักประมาณเท่านั้นเองเออสูบมากถ้าสูบด้วยความอยากก็ไม่ควรสูบแต่ถ้าสูบแบบหอมปากหอมคอแบบรับประทานอาหารออมื้อหนึ่งออวันละมวนสองมวนสองสา ม, มวนอะไรอย่างนี้ออแต่ถ้าสูบแบบ อ, อ ตามความอยากอันนี้ก็ไม่ควรถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลก็ตามเพราะการมาบวชนี้ก็เพื่อมาตัดความอยากต่างๆอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ถ้าสูบแบบพอหอมปากหอมคอนีเหมือนกับรับประทานอาหารวันละมื้ออย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำตามความอยากก็ทำได้ข้อที่สองการปล่อยเงินกู้เป็นบาปไหม ไม่บาปเราก็เป็นการขายขายของอย่างหนึ่งเงินก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งอยู่ที่ว่าเราขายแพงแล้วขายถูกขายแพงก็น่าเลือดหน่อยขาดความเมตตาถ้าขายถูกก็เป็นคนมีความเมตตาคิดดอกน้อยหรือไม่คิดดอกเลยอ ย, อย่างนี้ก็เป็นบุญไปแล้วถ้าคิดดอกมากๆนี่เป็นบาปรือไหมครับก็ไม่บา ป, ป, บาปก็เพียงแต่ว่ายัางโลภมากแล้วก็ยัง มีความเมตตาน้อยอยากจะได้เงินมากๆจะคุณศิลชัยนะครับชาติหน้ามีจริงไหมครับมีเนี่ยก็เทศน์มาทั้งทุกวันทุกวันก็พูดถึงชาติหน้าเนี่ยเดี๋ยวตายไปก็ต้องไปเกิดต่ อ, อยไปรับผลบุญผลบาปก็ไปเป็นเท่เป็นเดระชานไปเป็นอะไรต่างๆพอใช้บุญใช้บาปแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็ไปเกิดใหม่จากคุณโทมี่นะครับจะไปขั้นพระอนาคามีจะต้องผ่านเวทนาทุกคนใช่ไหมคะออขั้นพระโสดาบันนี่ก็ต้องผ่านแล้วแหละถ้าผ่านไม่ผ่านเวทนาไม่ผ่านความตายก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้พระอนาคาเมนี่ต้องผ่านอสุภะ ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายที่ถูกหนังมันห่มห่อปกปิดเอาไว้ต้องมองทะลุหนังเข้าไปให้ได้ถ้ามองทะลุหนังเข้าไปก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายจากท่านเดิมนะครับเมื่อทําสมาธิจิตสงบบ่อยๆแล้วต้องการเดินปัญญาหากหนูพิจารณาความตาย จะสามารถท้ามเวทนาในขั้นเวทนาหรือปัจสนาได้ไหมคะไม่ได้หรอกต้องพิจารณาเวทนาสิถึงจะผ่ญญ า, านเวทนาได้ต้องนั่งให้มันเจ็บหรือเวลาไปเจอความเจ็บปวดทางร่างกายออแล้วก็สามารถทำใจไม่ให้ไปทุกข์กับมัน อ, อปล่อยวางความเจ็บได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป อ, อ, อย่างนี้เรื่องความตายเป็นโจทย์คนล้ว โจทย์กับความเจ็บเป็นสองข้อด้วยกันความเจ็บหนึ่งความตายหนึ่งต้องทำทั้งสองข้อความเจ็บก็ต้องฝึกนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับปล่อยให้มันเจ็บเองแล้วให้มันหายเองใจเราไม่ไปวิตกกังวลไม่ไปวุ่นวายไปกับความเจ็บส่วนความตายก็เหมือนกันเราก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวเสี่ยงต่อความเป็นความตาย แล้วทำใจให้สงบทำใจให้ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายจะคุณสี่สั้นเช้งนะครับเราสามารถปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นที่พิสูจน์นรกสวรรค์ได้ตอนยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะได้เนี่ยก็ปฏิบัติไปมันก็จะเห็นเองว่าขั้นต้นมันต้องเข้าใจกันว่านรกกับสวรรค์นี้มันเป็นสภาพของจิตใจมันไม่ได้เป็นสถานที่ เรามีมิจฉาทิฏฐิกันเราไปคิดว่านารกเป็นที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินสวรรค์นี่อยู่บนท้องฟ้าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกต้องเห็นว่านารกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจเวลาใจทุกข์เนี่ยใจเป็นนรกเวลาใจสุขเนี่ยใจเป็นสวรรค์ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องแบบนี้เราจะเห็นทันทีเวลาเราทำบุญนี้ใจเรามีความสุข เวลาเราทำบาปนี้ใจเรามีความทุกข์ทันทีจะคุณขวัญเรือนนะครับเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมันปวดขาปวดหลังเราขยับตัวได้บ้างไหมคะหรือควรอดทนนั่งต่อไปถ้าเราไม่ถ้าเราต้องการที่จะผ่านทุกขเวทนาเราก็ต้องไม่ขยับถ้าเราขยับก็แสดงว่าเราอย่างปล่อยทุกขเวทนาไม่ได้เรายัางต้องไปกำจัดมันอยู่ แต่เราต้องกำจัดมันเราก็ต้องกำจัดมันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาเรากำจัดมันไม่ได้เราก็จะทรมานเราก็จะทุกข์งนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานกับทุกเขเวทนาเราต้องอย่าไปกำจัดมันเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะเป็นมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่มันจะหายก็ปล่อยมั diode, หนหายเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายถ้าเรามีสติมีปัญญา คำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณกามานุชิตนะครับตอนผมนั่งสมาธิโดยการนับลมหายใจทำไมมันรู้สึกอึดอัด จ, จังหายใจขัดขัดแต่ตอนที่นั่งเฉยเฉยไม่นึกถึงลมหายใจทำไมมันไม่อึดอัดจะแก้ไขอย่างไรดีครับเพราะจิตมันไม่ชอบให้บังคับไงจิตชอบเป็นอิสระชอบคิดเลื่อยเปื่อยชอบปล่อยให้เป็นไปตามสบาย พอถูกบังคับมันก็เลยอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้าไม่บังคับมันไม่ควบคุมมันไม่ให้มันคิดปล่อยให้มันคิดมันก็จะไม่มีวันสงบจะคุณพัฒนกรนะครับเป็นเป็นคำถามเหมือนกันนะครับเรื่องการดูลมหายใจนะครับเมื่อดูลมหายใจก็จะรู้สึกว่าไปบังคับลมหายใจทันทีไม่สามารถดูตามธรรมชาติได้จะแก้ไขอย่างไรก็พูดโธไปก่อนบริการพูดโธไป ถ้าบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดในใจไม่ต้องออกเสียงจนกว่าจิตมันจะสงบสบายแล้วค่อยดูลมต่อไปจกคุณขวัญเรือนนะครับหากผมจะเปิดร้านข้าวมันไก่พระอาจารย์ชี้แนวทางที่ควรครับปกติไม่ทำร้ายสัตว์เออก็ข้าวมันไก่แบบไม่มีไก่ไก <laughs> <laughs> เข้ามันไก่ ไก่เทียมเลยสมัยนี้เขาเอาเต้าหองเต้าหู้มาทำเป็นเนื้อไก่ได้ก็ใช้บอกว่าร้านนี้ขายเข้ามันไก่เจก็แล้วกันเขียนว่าเจเข้าไปมันก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้วจากคุณอุบลรักษ์นะครับในขณะที่เราภาวนาพุทโธพุทโธไปจิตสงบดีมากเจ้าค่ะจิตใจสงบมากขึ้นแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เจอพระอาจารย์สอน ทุกอย่างสมองคิดวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวนี้จิตนิ่งดีมากอยากกราบพระอาจารย์ตั้งจิตไว้แล้วว่าต้องมากราบพระอาจารย์มีข้อเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เรากล่าวคำว่าสาธุในกรณีใดบ้างเจ้าคะก็ในทุกกรณีที่คนเขาทำความดีกันคำ ว, ว่าสาธุแปลว่าดีแล้วครเห็นใครก็ทำความดีเชนาบุญแล้วก็บรษาสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้ว น, นคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วยันไถ้เราเห็นใครก็ทำความดีแล้วก็บอกดีแล้วดีแล้วไปสาธุสาธุไปจากคุณนันทิดานะครับในชีวิตประจาวันเราควรกำหนดไปตามกิริยาที่เราทำอยู่หรือที่ลมหายใจหรือพุทโธคะอ๋อถ้าเราทำอะไรอยู่นี่ดูลมหายใจมันจะลำบากดูการกระทำดีกว่า กำลังล้างจานก็ให้อยู่กับการล้างจานกำลังทำกับข้าวก็ให้อยู่กับการทำกับข้าวอย่ายไปดูลมเดี๋ยวกับข้าวจะออกมากินไม่อร่อยเพราะไม่รู้ว่าใส่ใส่น้ำปลาเข้าไปหรือยังใส่อะไรเข้าไปหรือยังนั้นเวลาทำกับข้าวก็ให้อยู่กับการทำกับข้าวอย่ายดูลมาการดูลมนี่ดูได้เฉพาะตอนที่เวลาเรานั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรแต่เวลาเราไม่ทำงานเรานั่งเฉยเฉยเรานั่งหลับตาเราก็ดูลมไป แต่พุโทโธนี้เราใช้ได้ในทุกกรณีพุโทโธนี้เราทาอะไรแล้วก็พุโทโธไปด้วยก็ได้นั่งสมาธินั่งเฉยๆก็พุโทโธได้งั้นก็ลองเลือกใช้ดูมีสามวิธีด้วยกันแต่ดูลมนี้ต้องดูตอนที่นั่งเฉยๆนั่งขรสมาลับตาแล้วก็ดูลมจากคุณมิวนะครับคาราวาตั้งใจทำงานเต็มที่ทำให้เงินไหลามาเทมาโดยไม่ได้หวังรวย จะพิจารณาเรื่องโลกธรรมลาบยศที่ได้มาอย่างไรดีใจนึงก็รู้สึกดีแต่อีกใจก็รู้สึกขัดกับการปฏิบัติที่ไม่ปรารถนาลาบยศถ้ามันมีมากก็ไปทําบุญใช่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กําหนดว่าเราต้องการเงินทองแค่นี้เดือนแค่นี้เสมมเราต้องใช้ใจ่าย1นึ่งหมื่นบาทเราก็ต้องการแค่หมื่นบาทถ้าเราได้เกินหมื่นบาทก็เอาไปทําบุญให้หมด เมื่ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรายังต้องทําอาทางานทาําอาหากินอยู่แล้วเกิดโชคดีขายดิบขายดีขายได้มากกว่าที่เราต้องการเราก็เอาส่วนที่เกินไปทําบุญทําทานหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราก็เอามาเก็บสํารองไว้ในวันวันวันหน้าก็ได้เพราะวันข้างหน้าใครจะไปรับรองว่าจะขายดิบขายดีเหมือนวันนี้มันก็มีขึ้นมีลงเดี๋ยวว่าเราอยากจะทําเพื่อ ไปปฏิบัติธรรมก็ทำแล้วเก็บไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็หยุดทำแล้วก็เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมต่อจกคุณหนุ่มตามฝันนะครับช่วงนี้มีข่าวน้าท่วมทางภาคอีสานแล้วมีพระสงฆ์ออกมาช่วยเหลือน้ําท่วมแล้วมีกระแสจากสังคมว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ผิดพระวินยัยผมอยากทราบว่ามันเป็นจริงหรือไม่ซึ่งพระที่ออกมาก็มีแต่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งนั้น อ, อ๋อไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าพระที่จะออกมานี่ควรจะดูฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ควรจะมาทำหรือไม่พระนี่ก็เป็นมีสองระดับระดับนักเรียนกับระดับที่เรียนจบแล้วพวกที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ควรจะเข้าห้องเรียนอี่ามาทากิจกรรมนอกห้องเรียนแต่ผู้ที่เรียนจบแล้วก็สามารถที่จะมาทากิจกรรมนอกห้องเรียนได้เช่นมาอบรมสั่งสอนญาติโยมนี้ก็ เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะมาเผยแผ่ทำแต่ถ้ายังเรียนไม่สําเร็จยังไม่จบก็อย่าเพิ่งมาเผยแผ่ทำอย่าเพิ่งมาทําประโยชน์ให้กับสังคมทําประโยชน์ให้กับตนก่อนคือพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วก็มีความสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปโดยพื้นพๆก็ช่วยเหลือด้วยการสั่งสอนเพราะว่าเป็น พระที่สำเร็จแล้วจะมีความรู้ทางธรรมให้รรมทานได้แต่พอแสดงธรรมแล้วญาติโยมศรัทธามาบริจาคข้าวของเงินทองก็มีข้าวของเงินทองก็เอาไปช่วยเหลืออย่างของที่ญาติโยมให้มาเนี่ยของไหนที่พระเขาไม่ใช้เนี่ยเขาเอาไปแจกหมดนะไม่ได้เก็บเอาไว้มีเด็กโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีคนที่ ที่มาทำประโยชน์ให้กับทางวัดเราก็ช่วยเหลือกันไปตอบแทนกันไปจากคุณระดารัฐนะครับการพิจารณากายทำอย่างไรคะในการสอนตนก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดา น, นี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อลองถ่ายรูปดู ถ่ายูปวันนี้แล้วอีกห้าปีดูสิว่ามันกลายเป็นอะไรไปแล้วแล้วอีกห้าปีกลายเป็นอะไรไปมันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ต้นไปจนถึงวันสุดท้ายของมันนี่คืออันนี้จังความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะจ ะ, จะดับเมื่อไหร่เกิดมาแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นอนอันนี้ก็อันนี้จังเหมือนกันตายวันนี้คนบางคนเกิดมาแล้วปั๊บแล้วก็ตายก็มี บางคนก็เจ็ดวันตายบางคนก็เดือนหนึ่งตายบางคนก็ปีหนึ่งตายอันนี้ก็อนิจจังเหมือนกันนี่คือการพิจารณาร่างกายที่เรียกว่าอนิจจังส่วนอนัตตาก็ดูว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของพ่อแม่ไม่ใช่หรือร่างกายนี้เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างร่างกายนี้เลยเป็นของพ่อแม่เป็นคนสร้างกันแล้วเราก็มารับเป็น หลังหวันบรรลับเป็นของขวัญเราก็คือดวงวิญญาณที่เล่ห่อนที่ยังไม่มีร่างกายนั่นเองพอมาพบกับร่างกายของพ่อแม่ก็เลยมาขออาศัยขอรับร่างกายนี้เป็นของเราชั่วคราวชั่วตั้งแต่ออกมาจากท้องจนไปถึงเมนอันนี้ก็เป็นร่างกายชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของพ่อแม่ที่พ่อแม่ใช้ดินน้ำลมไฟปั้นขึ้นมา อาหารที่เรากินเข้าไปก็มีดินมีน้ําอากาศที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นลมน้ําที่เราดื่มก็เป็นน้ําความร้อนที่เราได้รับจากข้างนอกได้ข้างในร่างกายก็เป็นไฟแล้วพอร่างกายหยุดทํางานร่างกายก็เย็นไฟก็ดับไฟก็หมดไปเดี๋ยวน้ําก็ไหลออกมาเดี๋ยวฮะอากาศก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นเนี่ยกลิ่นที่เราดมกลิ่นของซากศพนี่ก็เป็นเอ่า เป that, ็นธาตุเป ah. ็นธาตุหลมแล้วทิ้งไว้นานๆเขาร่างกายก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายไม่ใช่ของเราอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่เราไม่ใช่เป็นร่างกายให้แยกเราออกจากร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายไปคิดว่าเป็นร่างกาย เพราะถ้าไปคิดเป็นร่างกายเราจะทุกข์มากเวลาที่ร่างกายแปรปรวนไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี่คือการพิจารณาร่างกายเพื่อดับความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายจะคุณวันใหม่นะครับการที่เรารู้ตามที่จิตตอนนี้ใจเราไม่สบายตอนนี้รู้สึกสบายใจตอนนี้เราคิดเยอะก็รู้ตามใจที่คิดถือเป็นการฝึกสติไหมคะ ต่ว่าฝึกก็ได้แต่ฝึกแบบนี้ไม่ดีเพราะมันไม่หยุดความคิดเนะี่ยการฝึกสตินี้เป้าหมายต้องการหยุดความคิดเพื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ถ้ายังไม่ได้สติไม่ได้สมาธิจะไปพิจารณาจิตมันก็จะไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรควรจะหยุดทำจิตให้สงบ ก, ก่อนให้จิตมีความสุขก่อนแนละ้วทีนี้จิตก็จะได้ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจได้ เพราะถ้าเรายังไม่มีความสุขในใจนี้เรายังจะติดอารมณ์ดีแล้วเราจะลังเกียจอารมณ์ไม่ดีมันก็จะทําให้จิตเรายัางวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆได้จากคุณระพิดานะครับหากมีเหตุให้เราจําเป็นต้องผิดศีลข้อมุสาเพื่อเป็นการช่วยเหลือปกป้องผู้อื่นในช่วงขณะหนึ่งแต่หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ที่เราเลือกที่จะไม่ผิดศีลข้อนี้ได้แล้ว แต่จำต้องให้ผู้อื่นกระทําแทนหากมีเหตุการณ์เช่นนี้ลูกควรจะยอมทําผิดเพื่อผู้อื่นต่อไปหรือไม่คะเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเราคล้ายกับโยนบาปให้ผู้อื่นถ้าเรายินดีไปติดคุกแทนผู้อื่นก็ทำไปสิการทําบาปก็เหมือนกับการไปติดคุกนี่แหละเราทำบาปแล้วตายไปก็ต้องไปอาบายถ้าเรายินดีที่จะไปอาบายเพื่อผู้อื่นก็ทําไปนะ ม, มันไม่มีข้ออ้างว่าทำบาปเพื่อผู้อื่นแล้วไม่ต้องไปอบายมันไม่มีทำบาปเพื่อใครก็ตามทำแล้วก็ต้องไปอบายเหมือนกับทำผิดกฎหมายเพื่อผู้อื่นเวลาตำรวจจับเขาก็าจับเราไปเขาเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกันแต่ถ้าเรายินดีที่จะไปติดคุกติดตารางเพื่อผู้อื่นก็ทำไปไม่มีใครห้ามจะคุณปะสิทธ์นะครับเวลารับผลกรรมในอบายรูปร่างที่ได้รับ ผลกรรมจะเหมือนรูปร่างตอนเป็นมนุษย์ใหม่ครับก็ถ้าไปเป็นเป็นแมวมันจะเหมือนมนุษย์ได้ไงนะไปเป็นแมวเป็นหมามันก็มันไม่เหมือนหรอกส่วนถ้าไม่มีรูปร่างมันก็จะสภาพจิตใจที่มันทุกข์ถ้าเป็นเป็ดมันก็เป็นแบบหิวโหยอยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ได้เท่าไหร่มาก็ไม่อิ่มไม่พอหิวอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอสูรลกายก็กลัวไปอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นนรกก็ร้อนอยู่เรื่อยๆ ร่มร้อนจิตใจไปเรื่อยๆต่อเรื่องนรกต่อนะครับจากคุณนุชนาธินะครับที่นรกมีการลงโทษทันจริงไหมคะหากว่าทุกขสุขอยู่ที่ใจเพียงแค่นั้นคะเพราะเกิดสงสัยก็ทุกเนี่แหละเป็นการลงโทษแล้วเวลาเขาลงโทษก็ทำอะไรเขาก็ทําให้คนที่ถูกลงโทษนี้ทุกไม่ใช่เลยเช่นบางประเทศเขาก็ฟาดด้วยแส้ทำผิดก็เลยฟาดด้วยแส้เพื่อจะให้ทุกเพื่อจะได้เข็ดหลับ เวลาเราทุกข์นี้เราก็เราก็ทำโทษให้กับตัวเราเองแล้วเวลาที่เราทำบาปเวลาที่เราโกรธใครเราไปฆ่าเขาอย่างนี้ใจเราก็จะร้อนขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาแล้วจากคุณโทมี่นะครับแล้วทุกคนต้องผ่านขั้นโสดาบันก่อนใช่ไหมคะมีคนข้ามขั้นไปเป็นพระอนาคา ม, มีไมยไ ด, ได้ไหมไม่ได้หรอกก็ต้องผ่านเป็นขั้นขั้นไป เหมือนเรียนหนังสืออ่ะจะมันก็ต้องปีหนึ่งปีสองปีสามไปมันไม่ใช่อยู่ดีๆเข้าเข้าปุ๊บแล้วก็ไปปีสี่เลยนอกจากเป็นพวกอัจฉริยะแต่ทางธรรมนี้จะอัจฉริยะยงไงก็ต้องไปตามขั้นตอนเหล่านี้จะคุณปุ๊กนะครับนั่งสมาธิรู้สึกพอยี่สิบนาทีเริ่มง่วงจะเริ่มเดินก็ไม่คุ้นว่าจะเดินอย่างไรเจ้าคะ่ะ ก็เดินเหมือนเดินทุกวันนี่แหละเดินธรรมดาเป็นปกติเพียงแต่เดินด้วยสติก็คือควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งด้วยสติคอยควบคุมความคิดแล้วก็เพียงแต่เปลี่ยนการเดินเปลี่ยนท่าจากท่านั่งมาท่าเดินเดินเราก็เดินเหมือนที่เราเดินอยู่ทุกวันเนี่ยเดินไปตลาดเดินไปทํางานมันก็เดินแล้วก็เดินแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปตลาดไปทํางานเราเดินไป ไปสู่สุดทางเดินของเราทางเดินจงกรมก็มักจะประมาณตั้งแต่ยี่สิบขั้นถึงยี่สิบห้าขั้นเก้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าเก้าแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้สิบห้าเก้าหรือสิบเก้าก็ได้แต่มันจะลำบากหน่อยถ้าสั้นนี้ก็ต้องเดินแบบไม่ไม่หมุนกลับเดินแล้วก็เดินถอยหลังมันจะได้ไม่เวียนศรีรษะถ้าเดินสิบเก้าแล้วหมุนกลับนเดี๋ยวมันจะเวียนหัวถ้ามันมีที่เดินแคบเช่นเรา อยู่ในห้องเราอยานี้เราอยากจะเดินแก้งง่วงเราก็ลุกขึ้นมาเดินเดินแบบเดินหน้าถอยหลังไปเดินจากมุมหนึ่งของห้องไปอีกมุมหนึ่งพอถึงสุดมุมแล้วก็เดินถอยหลังกลับแทนมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ม ไ, ไ, มไม่เวียนหัวแล้วก็จะไม่ง่วงด้วยเพราะเวลาเดินถอยหลังนี่มันจะต้องมีสติมากขึ้นเดี๋ยวก็จะทำให้หายง่วงพอหายง่วงเราก็กลับไปนั่งต่อจาก youtube นะครับจากคุณไอซ์เบอร์ี่นะครับ เพื่อนบอกว่าสายอภิญโยเน้นแสดงฤทธิ์ส่งจิตออกนอกสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เหมือนกันเขาชอบปฏิบัติแบบนั้นซึ่งเป็นการส่งจิตออกนอกตรงข้ามกับการดูกายดูจิตที่ไม่ส่งออกนอกขอถามว่าแบบไหนโอกาสที่จะหลงมากกว่ากันคะอภิญญานี้ดับความทุกข์ไม่ได้ <c oughs> ต้องต้องใช้วิปัสสนาเท่านั้นถึงจะดับความทุกข์ได้ และก่อนจะใช้วิปัสสนาได้จิตก็ต้องเข้าไปสู่ความสงบแบบนิ่งสงบไม่มีอภิญญาคือมีอุเบกขา<ม>ต้องมีอุเบกขาจากสมาธิแล้วใช้อุเบกขานั้นมาสู้กับกิเลสตัณหาเมื่อปัญญาสอนให้หยุดกิเลสตัณหา<ม>แล้วก็จะหลุดพ้นได้จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าใช้อภิญญานี้จะไม่สามารถฆากิเลสได้จะคูณหลิงหลิงนะครับ เพื่อนถามว่าทำไมบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เวลาเจ็บมันถึงนึกว่าเป็นเราคะก็เราไปนึกมันเองเราไปคิดมันเองถูกสอนมาให้คิดอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมันก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นเราของเราตอนนี้พระพุทธเจ้ามาสอนให้คิดหอยให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นเราพอเราไม่คิดว่าเป็นเราเราก็ปล่อยเหมือนเหมือนร่างกายของคนอื่นเรารู้ว่าไม่ได้เป็นเราใช่ไ เวลาร่างกายคนอื่นก็บอกปวดท้องปวดท้องเราก็เฉยได้ใช่ไหมถ้าเรามองร่างกายว่าไม่ได้เป็นเราเราก็จะเฉยได้ปวดท้องก็ปล่อยมันปวดไปคำถามจ้คุณเอกนะครับแม่บอกให้แบ่งอาหารให้เจ้าที่บ้านทุกวันพระผมต้องทำใหม่ครับถ้าเรารักแม่เคารพแม่ก็ทำปไปเลยเมนจะเสียหายหตรงไหนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระก็ตามแต่ถ้าเป็นความสุข ข, ของแม่ ถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกแม่ความจริงได้แม่ไม่ยอมเชื่อเราก็อย่าไปทะเลาะกับแม่อย่าไปขัดใจแม่เลยมันก็ไม่ใช่เป็นของเสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่ามันทำให้แม่งงงายแม่ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเจ้าที่เจ้าทางเขากิกนอาหารไม่ได้อยู่ดีถ้าต้องการให้เจ้าที่้าวทางเ็ามีอาหารก็ทำบุญอุทิศให้เขาไปเผื่อเจ้าที่ยาทางเป็นเปรต เ, เขาก็จะได้รับไป จากคุณขวัญเรือนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นเพื่อนๆคนรู้จักเขาไหว้พระราหูกันเยอะเลยค่ะอยากทราบว่ามันควรทําอย่างนั้นหรือคะก็ถางว่าจะทาแล้วดีไหมล่ะทําแล้วได้ตามที่เขาขอกันหรือเปล่าถ้าได้เราจะได้ไปขอเป็นพระอรหันต์ก่อนเลยไม่ต้องมาบวชให้มาปฏิบัติให้เหนื่อยเลยกาาราบพระราหูขอให้ผมเป็นพระอหันต์หน้ า, านะจะคุณ ระดาลัสนะครับศาสนาอื่นมีบาปมีนรกสวรรค์เหมือนศาสนาพุทธไหมครับเขาก็มีสอนให้คนทําดีทาบุญสอนให้คนละ บ, บาปเขาก็มีสวรรค์มีนรกของเขาเหมือนกันศาสนาคริสต์เขาก็มีสวรรค์มีนรกเหมือนกันจากคุณสุนีนะครับถ้าญาตของเราค่าตัวตายแล้วเราทําบุญไปให้เขาตลอดเวตลอดเวรกรรมที่เขาทาตัวเองจะเบาลงและหมดเร็วไหมคะ ไม่เลยเพราะบุญที่เราทํานี้ไม่ได้เป็น ไ, ไปหยุดกรรมของเขาหรือไปลดกรรมของเขาเพียงแต่ไปช่วยให้การการใช้กรรมของเขานี้มันไม่ทรมานมากคือลดความทรมานเหมือนกับเราส่งอาหารไปให้คนที่ติดคุกอี้นถ้าเราส่งกว๋วยเตี๋ยวส่งข้าวผัดให้คนติดคุกมันก็ได้กินอาหารที่ดีกว่าอาหารในคุกมันก็ทําให้ความทุกข์ในคุกเนี่มันบรรเทาลง แต่มันก็ยังต้องติดคุกอยู่ดีจะคุณสมใจนะครับอยากทราบรูปร่างเทพพรมเทวดาต่างกันอย่างไรเจ้าคะเ อ, อเขาไม่ได้วัดที่รูปร่างเขาวัดที่ความสุขความสุขของเทพเนี่ยก็ต่ากว่าความสุขของพรมเหมือนกับอยู่โรงแรมชั้นดาวหนึ่งกับโรงแรมห้าดาวนียความสุขมันก็ต่างกันตอนนี้คำถามหมดครับอาจารย์ อก็ดีใกล้แล้วเดี๋ยวให้ข้านาทีเดี๋ยวนั่งรอสักปั๊มหนึ่งก่อนก็ได้มีใครอยากจะถามก็ถามได้นะช่วงนี้ยังถามได้อยู่งั้นเป็นคําถามเกี่ยวกับการถามมาเรื่องการถวายผ้าไตานะครับปกติทางวัดยอมผ้าไตาเองหรือเปล่าคะจะได้นําผ้าขาวไปถวายหากไม่จะได้นําผ้าไตาที่สําเร็จรูปถวายแทนคะ่ะเวันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ตัดเย็บผ้าเองก็ใช้ผ้าสําเร็จรูป ถ้าสำเร็จรูปก็ต้องได้สีได้ขนาดของของวัดเขาถึงจะใช้ได้เพราะเป็นเหมือนเครื่องแบบของทหารตำรวจเป็นตารวจแล้วเครื่องแบบของทหารเรือมาให้มันก็ใส่ไม่ได้วัดแต่ละวัดเขามีสีจีวรไม่เหมือนกันเราก็ต้องสังเกตดูสีจีวรของพระเขาว่าเขาใช้สีอะไรหรือถ้าไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนก็ถามพระได้พระก็จะบอกแหล่งให้ว่ามีแหล่งขายะ สำหรับวัดนี้ถ้าอยากจะซื้อผ้าที่พระวัดนี้ใช้กันเขาก็จะมีแหล่งอยู่ที่วัดอสูการามที่สมุดปราการจะมีร้านตัดเย็บจีวรก็อัถบริขารอยู่ที่หน้าวัดคนที่เขาทํานี้เขาเคยบวชเป็นพระป่ามาแต่เขาศึกเขาก็เลยรู้ว่าพระป่าใช้ผ้าแบบไหนใช้ขนาดไหนเขาก็เลยเอาอาชีพตัดผ้านี้มามาเป็นอาชีพเพราะก็ยังอยากจะทําบุญทํา ไมอยากไปรรทำอาชีพอย่างอื่นอย่างไ ง, งอยู่ใกล้กับศาสนาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะช่วยเหลือให้พระทวดองพร ะ, ร, ะระป่าได้ใช้ผ้าอย่างถูกต้องพระวินยัยพะถ้าไปซื้อตามเสาชิงชาหรือซ้าซําไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็จะขายแบบเลสเปสปะไปเขาก็ไม่รู้ว่าพระมาจากวัดไหนที่ไหนเขาก็ขายตามที่เขาสั่งมาญาติโยมก็ไม่รู้ก็สั่งก็ซื้อมา ซื้มาแล้วถวายพระส่วนใหญ่พระก็ไม่ได้ใช้กันรับมาแล้วก็เอาไปทําบุญต่อเอาไปให้กับวัดที่เขาใช้ได้แล้วนี้ไม่ได้บ่นนะเดี๋ยวจะหาว่าบน่นเมื่อถามก็เลยบอกให้ฟังญาโยมจะถวายแบบไหนสีไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้ห้ามจะคุณโทมี่นะครับต้องข้ามเวทนาอย่างไรคะก็ปล่อยมนันไงเฉยๆเท่านั้นเอง เหมือ น, นกับเวลาคนดาเราก็เฉยๆไปอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจสักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นก็ผ่านละมันเจ็บก็ให้รู้ว่ามันเจ็บเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปทุกข์กับมันเดี๋ยวมันหายเองแล้วต่อไปเราจะมีกําลังเราจะไม่กลัวความเจ็บรู้ว่าอ๋อเราเราสู้กับมันได้เราเฉยๆได้มันเจ็บขนาดไหนเราก็สักแต่ว่ารู้ไปเราแยกผู้รู้กับตัวความเจ็บได้แล้วก็จะสบาย เมือนเราเร า, เราแยกตัวเรากับการดูหนังเนี่ยเวลาดูหนังบางทีเรามักจะไปติดอยู่กับหนังไปตื่นเต้นตกใจกับหนังแต่ถ้าเราได้สติดึงกลับมาบอกเฮ้ยมันแค่เป็นหนังเราเป็นคนดูมันจะฆ่ากันตายขนาดไหนเราก็ไม่ได้เป็นตายไปกับเขาเราเป็นแต่เพียงคนดูก็ดูไปเฉยๆแต่บางทีเราดูแล้ว เ, เราเสอือใจเราไปคิดว่าเราเป็นคนเล่นไปด้วย อันนี้ก็เหมือนกันใจมักจะเผลอไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บใจก็เลยคิดว่าเจ็บตามเจ็บตามร่างก็ตายไปแต่ความจริงใจไม่ได้เจ็บเลยใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ความเจ็บเท่านั้นเองงั้นเราหัดมาสอนใจให้เพียงแต่รับรู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนใจไปเดือดร้อนทาไมหมดเล ย, ยังข้อสุดท้ายครับอาจารย์อ่า เดินจงกรมภาวนาพุโทโธให้กําหนดจิตไว้ที่เท้าที่ก้าวย่างหรือกําหนดที่ลมหายใจคะทําอย่างไหนก็ได้แต่เรื่องลมหายใจนี่เราคิดว่ามันยากเพราะลมมันละเอียดดูที่เท้าจะง่ายกว่าเช่นก้าวเท้าไปก็ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุธโทโธไปเพียงแต่ควบคุมไว้ไม่ให้เพื่อให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองต้องการทําใจให้ว่างจากความคิดเอาแล้วนะหมดแล้วนนะ